ประตูเชื่อมห้องสัมผัสสยองสวัสดีครับแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นจริงกับตัวผมและเพื่อนๆมาเล่าให้ฟัง เรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นวันนั้นหลังจากที่เราไม่มีเรียนกันแล้วผมและเพื่อนๆก็ไปเตะ บ, บอลกันไม่ใช่ว่ามีอารมณ์นะครับแต่อยากจะไปเล่นบอลจริงๆพวกเราเล่นบอลกันไปเหมือนปกติเช่นทุกครั้งพอเตะ บ, บอลเสร็จก็มานั่งจับกลุ่มกันแล้วเพื่อนก็ชวนคุย ถึงเรื่องราวแปลกๆที่มันได้เกิดขึ้นที่ห้องพักของเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มผมขอใช้นามสมมติของเพื่อนคนนี้ว่าแบงค์นะครับแบงค์เป็นเด็กต่างจังหวัดมาเช่าหอพักอยู่คนเดียวในห้องพักของแบงก์แปลกจากห้องเช่าธรรมดาทั่วๆไปเนื่องจากในห้องพักนั้นมีประตูเชื่อมห้องบานเหล็กไปยังอีกห้องหนึ่งแต่ไม่สามารถเปิดไปยังห้องข้างๆนั้นได้ เนื่องจากจะมีเทพกาวปิดขอบประตูไวเหมือนกับไม่ให้ใครงัดหรือเปิดเข้าไปแบงเลาว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเขาในช่วงกลางดึกตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปเขามักจะได้ยินเสียงคล้ายคนเคาะประตูบานเล็กบานนั้นและมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเหม็นออกมาจากห้องนั้นด้วยแต่กลิ่นนี้ ในช่วงตอนกลางวันกลับไม่มีทั้งเสียงและกลิ่นนั้นมันทำให้แบงก์กลัวจนต้องเปิดทีวีนอนทุกคืนพอคุยกันถึงเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นพวกเราจึงตัดสินใจไปห้องของแบงก์ในคืนนั้นพอไปถึงหอพักตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสีุ่้มแล้วที่หอพักนั้นด้านล่างจะมีห้องที่เป็นกระจกกัน โดยต้องใช้คีย์การ์ดเปิดถึงจะเข้าไปยังหอพักนั้นได้เมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วจะเจอลิฟต์สองตัวเป็นลิฟต์สีแดงซึ่งห้องพักของแบงค์จะอยู่ที่ชั้นสองพวกเราจะเดินขึ้นทางบันไดก็ได้แต่ว่าวันที่เราไปกันนั้นก็เหนื่อยจากการเตะ บ, บอลมาพอสมควรก็เลยตัดสินใจขึ้นลิฟต์กัน พวกเราขึ้นลิฟต์มาได้ไม่นานประตูลิฟต์ก็เปิดออกเมื่อมองไปยังทางเดินก็เห็นว่ามันมืดและน่ากลัวมากบรรยากาศวังเวงชอบกลนวกเราเดินไปยังห้องของแบงซึ่งจะถึงก่อนบันไดหนีไฟหนึ่งห้องนั่นหมายความว่าห้องที่มีประตูเชื่อมติดกับห้องของแบงมันอยู่ติดกับบันไดหนีไฟ พวกเราเดินไปจนถึงหน้าห้องแบงค์ไขกุญแจแล้วก็เปิดห้องเมื่อเข้าไปก็สังเกตเห็นว่าทางขวามือของผมในตอนนั้นจะเป็นห้องน้ำด้านซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าเดินตรงเข้าไปจะเจอเตียงนอนด้านขวามือประตูบานเชื่อมนั้นอยู่เหนือหัวเตียงซึ่งมันแปลกมากสำหรับหอพัก นี่คือรูปจำลองที่เจ้าของเรื่องได้ส่งมาให้กับทางแอดมินนะครับก็ลองจินตนาการกันดูว่าห้องนั้นจะมีลักษณะยังไงและประตูเชื่อมนั้นมันอยู่ในตำแหน่งไหนและมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในห้องนั้นกันแน่ในคืนนั้นเองแบงตัดสินใจจะออกไปนอนห้องเพื่อน ในระหว่างที่แบงค์เก็บของอยู่นั้นผมและเพื่อนอีกสองคนก็เดินออกมาหน้าห้องแล้วเดินไปยังห้องคางคัก็ได้กลิ่นเหม็นของอุจจาระลอยออกมาพวกเรามองหน้ากันและตัดสินใจเดินกลับไปยังห้องของแบงค์แล้วปิดประตูห้องแต่กลิ่นนั้นกลับแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นพวกเราทั้งหมดหกคนจึงถามกันว่า คนอื่นๆได้กลิ่นอะไรไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าได้กลิ่นเหมือนกันทุกคนจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเกิดขึ้นเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าให้ทุกคนเงียบก่อนเพื่อฟังว่าเสียงนั้นมาจากที่ไหนเมื่อพวกเราพยายามฟังหาที่มาของเสียงนั้นก็ได้รู้ว่าเสียงนั้น มันมาจากประตูบานเล็กบานนั้นนั่นเองพวกเรารีบช่วยกันเก็บของและรีบลงมาด้านล่างหลังจากเดินออกจากประตูหอพักมาแล้วซึ่งผมเดินเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มพอเดินผ่านยามที่เฝ้าหอยามคนนั้นก็ทักขึ้นมาว่าเจอกันแล้วสิด้วยความแปลกใจจึงทำให้ผมหันกลับไปถามในทันที อะไรนะครับแต่ยามก็เปลี่ยนคำพูดไปจะไปนอนที่อื่นกันหรอเมื่อได้ยินดังนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกจึงตอบไปเพียงแค่ว่าใช่ครับแล้วพวกเราก็ขึ้นรถไปส่งเพื่อนที่หออีกหอหนึ่งวันถัดมาแบงก์ก็มาแจ้งย้ายออกกับทางหอผักแล้วไม่กลับไปนอนที่ห้องนั้นอีกระหว่างนั้น แบงก็ได้ไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่หอพักอื่นเพื่อรอให้ถึงสิ้นเดือนจนมาถึงวันที่ต้องย้ายออกเพื่อนทั้งกลุ่มก็มาช่วยกันขนของไปยังหอพักใหม่แต่รอบนี้ต่างจากครั้งก่อนเพราะมีแฟนผมไปด้วยตอนแรกพวกเราจะขึ้นไปกันทั้งหมดแต่พอแฟนผมเดินมาถึงประตูหอพักยังไม่ทันเดินเข้าไปตรงหน้าลิฟ แฟนผมก็พูดขึ้นมาทันทีว่าขอรออยู่ที่รถไม่ขึ้นไปตอนนั้นผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ทันได้ถามอะไรเพราะต้องรีบช่วยกันเก็บของโดยจะมีเพื่อนอีกชุดหนึ่งเป็นคนขนลงมาตรงหน้าลิฟต์ในระหว่างที่พวกเรากําลังเก็บของกันอยู่นั้นกรินเมนมันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่รอบนี้ มาทั้งทั้งที่อยู่ในช่วงเวลากลางวันเพระเก็บของเสร็จระหวห่างที่รอขนของรอบสุดท้ายอยู่นั้นผมและเพื่อนทนกลิ่นไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจึงมารออยู่หน้าห้องของแบงค์แต่ไม่รู้ว่าอะไรดนใจจึงเดินไปยังหน้าห้องนั้นอีกครั้งลองเอามือจับที่ประตูก็ปรากฏว่าประตูสามารถเปิดเข้าไปได้ มันไม่ได้ถูกล็อกเอาไว้เมื่อเปิดประตูออกก็สังเกตเห็นว่าภายในห้องนั้นมีฝุ่นเยอะมากเตียงก็มีแต่ขี้นกเท่ากับว่าห้องนี้ไม่มีคนพักอยู่อย่างแน่นอนเมื่อมองตรงไปก็เห็นประตูระเบียงเปิดอยู่พวกผมไม่กล้าเดินเข้าไปภายในห้องจึงปิดประตูห้องนั้นไว้อย่างเดิม เมื่อพวกเราขนของขึ้นรถทั้งหมดแล้วระหว่างที่กำลังจะออกรถผมก็มัวคุยกับเพื่อนๆกันอยู่แต่แฟนผมเร่งให้รีบขับออกจากห อ, อก่อนในระหว่างที่ขับรถออกมาผมจึงถามแฟนว่าทำไมไม่ขึ้นไปด้วยกันแฟนก็บอกว่าตอนที่เดินเข้าไปเธอเห็นผู้หญิงผมยาวกระโปรงยาวสีขาวแต่มองไม่เห็นข้อเท้า เธอคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าลิบแฟนผมกลัวจึงไม่อยากขึ้นไปแล้วระหว่างที่เพื่อนๆขนของเธอรออยู่ที่รถก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงนั้นดังมากพอแฟนถามเพื่อนๆในรถว่าได้ยินกันหรือเปล่าพวกเพื่อนๆก็ตอบว่าตอนขนของไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีเพียงแต่กลิ่นผมจึงถามต่อว่า แล้วทำไมไม่ช่วยขนของจากลิฟ์มาที่รถแฟนผมก็พูดสวนกลับมาว่าจะให้ไปช่วยยังไงเขายือนอยู่ที่หน้าลิฟต์ตลอดสายตาก็จ้องมองพวกที่ขนของอยู่จากนั้นเพื่อนที่อยู่ในรถก็เสริมขึ้นมาว่าเราก็เห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้นเหมือนกันเธอยือนอยู่ที่ประตูข้างห้องของแบงค์ตลอดเวลาที่มีการขนของกัน แล้วที่แฟนผมบอกให้รีบออกรถเพราะผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ที่หน้ารถแล้วจ้องมองเหมือนโกรธแค้นมาตอนนั้นเธอขยับใกล้เข้ามาที่รถเรื่อยเพื่อนอีกคนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าใช่เห็นเหมือนกันใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคำพูดของเพื่อนตรงกับที่แฟนผมบอกว่าเธอคนนั้นใส่กระโปรงยาวสีขาว แต่แบงค์และพวกผมก็ไม่ได้คิดจะเข้าไปสอบถามอะไรกับเจ้าของหอพักว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่ห้องนั้นแล้วทำไมถึงมีประตูบานเล็กบานนั้นอยู่ด้วยซึ่งก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันว่าที่ห้องอื่นมีประตูแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าหลังจากวันนั้นพวกเราก็ไม่มีใครได้ไปเยียบที่หอพักนั้นอีกและทุกครั้งที่เจอกัน ได้นั่งจับ ก, กลุ่มคุยกันพวกเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันตลอดสมัมผัสสยอง